สมภัสสยองเรื่องเล่าจากงานศพหากยังจำกันได้ผู้ที่เล่าเรื่องต่อไปนี้เป็นคนเดียว ก, กันกับคนที่เล่าเรื่องระ บ, บำกริดาพิณิหารนางราคนที่สามที่แอดมินได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้ได้ฟังกันไปแล้ว หากใครยังไม่เคยได้รับฟังก็สามารถกดฟังย้อนหลังได้ที่ปุ่มเครื่องหมายตกใจทางด้านขวาบนของจอได้เลยนะขึ้นชื่อว่า ง, งานศพปันเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากไปสักเท่าไหร่เพราะบรรยากาศในงานศพมีแต่ความหดหู่โศกเศร้าและวังเวงปันเองเป็นคนไม่ชอบไปงานศพเหมือนกัน จะไปก็เฉพาะงานศพญาติที่สนิทกันจริงๆเท่านั้นปันเชื่อว่าชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงก็เพราะได้ประสบพบเจอกับตัวเองในคืนนั้นยายคงปันเสียเมื่อตอนที่ปันอยู่ปหกยายเป็นคนตัวเล็กรูปร่างผอมและหน้าตาดุมากปันจึงไม่ค่อยสนิทกับยายสักเท่าไหร่ตอนที่ยายเสียตอนนั้น ปันก็อายุ12สองขวบแล้วซึ่งท่านไม่ได้มีอาการป่วยอะไรเลยเพียงแค่หลับไปเฉยๆแต่เรียกยังไงก็ไม่ตื่นทั้งทั้งที่ยังหายใจอยู่แม่กับป้าจึงรู้แล้วว่าถึงเวลาของยายแล้วยายเป็นคนรักบ้านเกิดมากแม่และป้าจึงพยายามพายายกลับบ้านที่จังหวัดอ่างทองพายายขึ้นรถ โดยมีป้าเป็นคนขับรถแม่กับป้าอีกคนคอยเรียกยายตลอดทางส่วนปันทำอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งเงียบๆอยู่ในรถพอมาถึงที่บ้านยายจังหวัดอ่างทองแม่กับป้าก็เตรียมอุ้มยายลงจากรถแต่หน้าแปลกใจมากที่ไม่สามารถอุ้มยายลงได้ทั้งทั้งที่แม่กับป้าทั้งสองคนเป็นคนสูง ุพอดีไม่ผอมไม่อ้วนส่วนยายเราหนักไม่ถึง42กิโลกรัมแม่กับป้าน่าจะอุ้มไหวอยู่แล้วแต่กลับอุ้มไม่ได้ตอนนั้นปันเองก็งงมากปันจึงถามแม่ว่าทำไมยังอุ้มยายไม่ได้อีกคะแม่ตอบว่ายายหนักมากพอสิ้นเสียงที่แม่ตอบร่างของยายก็หนักขึ้น เหมือนคนหนักสักร้อยกิโลไดท้ทั้งที่ยายตัวเล็กมากว่ากันว่านั่นคือยมทูตสี่ตนที่อยู่บนตัวของยายซึ่งรอที่จะพาดวงวิญญาณของยายไปยิ่งทักว่าหนักน้ำหนักของยายก็จะยิ่งหนักเพิ่มขึ้นไม่รู้กี่เท่าพอช่วยกันพายายมานอนที่เตียงได้แม่และป้าก็ไปพยายามเรียกยายให้รู้สึกตัว แต่คงถึงเวลาของยายแล้วและยายก็คงอยากกลับมาตายที่บ้านเกิดด้วยตกดึกยายเริ่มหายใจติดขัดลมหายใจเฮือกสุดท้ายแรงมากและก็หยุดหายใจไปในที่สุดแม่ป้าและปันจึงต้องนอนเฝ้าศพของยายเพราะต้องรอให้เช้าถึงจะนำร่างไปหวัดได้ตอนนั้นปันกลัวมาก ถึงจะเป็นคนในครอบครัวแต่ก็รู้สึกกลัวอยู่ดีอีกทั้งตอนมีชีวิตอยู่ยายเป็นคนดุซึ่งมันทําให้ปันยิ่งกลัวหนักกว่าคนอื่นแต่ปันก็เผลอหลับไปจนมาตื่นในตอนเช้าแม่และป้ารีบไปติดต่อกับทางวัดเพื่อพาร่างของยายไปทําพิธีตามาศาสนาด้วยที่เป็นวัดต่างจังหวัด คนที่บ้านยายเชื่อกันว่าต้องนอนเฝ้าศพที่สาราไม่งั้นศพจะเหงาญาติพี่น้องของยายแม่และป้าก็จะนอนเฝ้าศพทุกคืนแต่ให้ปันนอนที่บ้านกับพี่ๆคืนที่สองหลังจากสวดเสร็จปันก็กลับมานอนที่บ้านตามปกติแต่เวลาประมาณตีสปันได้ยินเสียงเหมือนคนหาของ แต่พอมองหาก็ไม่เห็นใครปันกลัวมากนึกอยากจะไปหาแม่ตอนนี้แม่คงตื่นแล้วเพราะต้องทำกับข้าวเลี้ยงพระในตอนเช้าบ้านของยายอยู่ใกล้ศาลามากแต่ก่อนจะถึงศาลาต้องเดินผ่านเมนก่อนเด็กหญิง12ขวบเดินผ่านเมนตอนตีสาด้วยความรู้สึกกลัวแทบจะขาดใจ ตอนเริ่มออกมาจากบ้านยังพอมีแสงสว่างอยู่บ้างจึงไม่กลัวเท่าไรแต่พอใกล้จะถึงเมนใจปั่นสั่นอย่างบอกไม่ถูกไม่กล้าแม้จะมองไปรอบๆตลอดทางที่เดินผ่านคนลุกไปทั้งตัวและได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนพูดในลำคอขณะที่ผ่านเมนพอเดินมาได้ครึ่งทาง ปันก็รู้ว่าทนไม่ไหวแล้วจึงวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเพื่อไปหาแม่ให้เร็วที่สุดหลังจากที่จัดงานและเผาศพเสร็จเรียบร้อยปันแม่และป่าจึงเดินทางกลับบ้านโดยนําโกรธของยายกลับมาที่บ้านกรุงเทพด้วยระหว่างทางที่เดินเข้าซอยพอเดินมาได้ครึ่งซอยทุกคนก็ได้กลิ่นทูปแรงมาก เหมือนมีคนจุดธูปเป็นกำกแล้วเอามาให้พวกเราดมมีน้ำซ้ำยังมีกลิ่นน้ำอบที่ยายชอบใช้อีกด้วยตอนนั้นทุกคนรู้เลยว่าต้องเป็นยายแน่ๆยายคงจะตามกลับบ้านมาและส่งสัญญาณให้พวกเรารับรู้หลังจากที่พวกเรากลับมาอยู่บ้านที่กรุงเทพช่วงแรกๆที่ยายเสีย คนในบ้านจะได้กลิ่นทูกับน้ำอบบ่อยมากเหมือนยายยังมีห่วงและยังคิดถึงลูกหลานอยู่เลยมาหามาดูความเป็นไปของแต่ละคนแม่เคยเล่าว่าคืนหนึ่งขณะที่นอนเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่นั้นก็เห็นยายมานอนรูปหัวแม่ส่วนปันเองมักจะมองเห็นคนแก่ที่หางตาซึ่งมีลักษณะรูปร่างเหมือนยาย มันเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆแต่พอเวลาผ่านไประยะหนึ่งแล้วยายคงจะหมดห่วงทุกคนในบ้านไม่เห็นยายมาหาอีกจนในที่สุดปันก็ฝันเห็นยายยิ้มให้และบอกว่าไปแล้วนะหลังจากนั้นยายก็ไม่มาหาพวกเราอีกเลยปันและแม่เชื่อว่ายายคงจะไปเกิดแล้ว เสียงกรีดผนังค้างห้องเฟิร์นทำงานเป็นเชฟที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาตอนที่ย้ายมาใหม่ๆไม่มีเงินมากนักจึงตัดสินใจไปเช่าห้องแบบแบ่งให้เช่าตึกที่ไปเช่านั้นชั้นล่างเปิดเป็นบาร์ส่วนชั้นบนแบ่งเป็นห้องเล็กๆให้คนเช่าอยู่ โดยใช้ไม้อัดมาแบ่งกั้นเป็นห้องๆราคาค่าเช่าตกเดือนละพัน0บาทน้ำและไฟฟรีเฟิร์นเห็นว่าค่าเช่าถูกดีจึงตกลงเช่าในคืนแรกที่เขาพักเฟิร์นนอนหลับสบายดีหรืออาจจะเป็นเพราะทำงานเหนื่อยจึงหลับสนิทก็ไม่รู้แต่แล้วคืนที่สองเรื่องสยองก็เกิดขึ้นคืนนั้น เฟิร์นเลิกงานตอนเที่ยงคืนกลับถึงห้องอาบน้ําและกำลังจะเข้านอนแต่เสียงเพลงที่บาร์ชั้นล่างก็ยังคงดังอยู่ดังขึ้นมาข้างบนเบาๆเฟิร์นก็เลยนอนเล่นมือถือไปเพลินๆเพราะเล่นไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงคล้ายๆเล็บขูดกับฝาห้องเสียงขูดฝาห้องเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ สักพักก็มีเสียงรองเท้าส้นสูงเดินไปเดินมาเฟินคิดว่าคงจะมีคนมาเช่าห้องข้างๆจึงเล่นมือถือต่อไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเวลาตีสองบาร์ก็ปิดเสียงเพลงเงียบลงแล้วเสียงเล็บขูดกบฝ้าห้อง ก็กลับมาอีกครั้งเฟิร์นพยายามจะไม่คิดอะไรและขมตานอนให้หลับทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองหลับยิ่งดึกเสียงเดินไปเดินมาก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยเสียงเดินพร้อมกับเสียงเล็บขูดข้างฝาห้องดังจนเฟิร์นเริ่มทนไม่ไหวจึงสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบแล้วเสียงเดิน และเสียงเล็บจึงค่อยๆหายไปเฟิร์นคิดว่าเจอดีเขาให้แล้วแต่ตอนนั้นเฟิร์นง่วงมากจึงเผลอหลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวพอรู้สึกตัวตื่นอีกทีก็ได้ยินเสียงเด็กมาเรียกพี่พี่ตื่นตืนไม่ไปทำงานเหรอเสียงเรียกแว่วๆอยู่ในหูทำให้เฟิร์นสะดุ้งตื่นพอมองไปรอบๆ ก็ไม่มีใครอยู่แถวนั้นเฟิร์นจึงรีบอาบน้ําแล้วไปทํางานวันนั้นทั้งวันเฟิร์นคิดแค่เรื่องเดียวกลับไปกลับมาว่าสิ่งที่ได้ยินเมื่อคืนนั้นมันคือเสียงคนข้างห้องหรือเสียงอะไรกันแน่คืนนี้ต้องหาคําตอบให้ได้หลังเลิกงานเฟิร์นกลับถึงห้องเที่ยงคืนกว่า รีบอาบน้ำแล้วเข้าห้องนอนหยิบมือถือมาเล่นเกมบนเตียงเหมือนอย่างเคยเสียงเพลงจากบาร์ก็ดังขึ้นมาเบาๆในขณะที่กำลังเล่นเกมอยู่นั้นในใจก็คิดว่าอย่าให้มีอะไรผิดปกติอีกเลยตีสองผ่านไปเสียงเพลงก็เงียบลงสักพักเสียงปิดประตูบาร์ก็ดังขึ้น แสดงว่าตอนนี้จะมีแค่เฟิร์นคนเดียวในตึกนี้เท่านั้นเพราะทั้งตึกมีเฟิร์นอาศัยอยู่แค่ห้องเดียวส่วนห้องอื่นๆนั้นยังไม่มีคนมาเช่าอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบเสียงเล็บพูดกับฝาห้องก็ดังขึ้นเฟิร์นขนลุกขึ้นมาทันทีในใจคิดว่าจะมาทำไมเรากลัวนะทันใด น, นั้น เสียงหัวเราะก็ดังขึ้น <c oughs> <c oughs> มันช่างเป็นเสียงหัวเราะที่เย็นยเยือกน่าขนลุกน่ากลัว เฟิร์นรู้สึกได้ถึงเส้นผมบนหัวที่ลุกชันทั้งเสียงเดินเสียงเล็บขูดข้างฝาเฟิร์นรู้ตัวว่าไม่ได้คิดไปเองเพราะทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเฟิร์นยังตื่นและมีสติดีทุกอย่างแต่ด้วยความง่วงเฟิร์นก็พล่อยหลับไปรุ่งเช้าเฟิร์นตื่นไปทํางานตามปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เป็นแบบนี้อยู่หลายคืนจนกระทั่งวันหนึ่งเฟินป่วยเป็นไข้และปวดหัวมากจึงนอนพักอยู่ที่ห้องขณะที่กึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่นั้นสายตาก็ไปพบกับตาคู่หนึ่งเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดเก่าๆลอยอยู่บนเพดานเขาค่อยๆลอยต่ำลงมาจนตัวเราแทบจะติดกันสายตาเราทั้งสอง จงมองกันและกันแล้วเฟิร์นก็พูดขึ้นมาว่าพี่อย่ามาหลอกหนูเลยวันนี้หนูไม่สบายปวดหัวมากหนูกลัวพอพูดจบมือของเธอคนนั้นก็มาแตะที่หัวของเฟิร์พรนพลาาการปวดหัวของเฟิร์นก็หายไปและเธอก็หายไปต่อหน้าต่อตาหลังจากนั้นเฟิร์นก็หลับไป ทั้งทงที่กลัวจนแทบสิ้นสติพอตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นเช้าของอีกวันหนึ่งแล้วอาการปวดหัวตัวร้อนหายไปเป็นปลิดทิง้งจึงรีบลุกขึ้นไปใส่บาตรระลึกถึงเธอผู้นั้นให้ได้รับบุญที่เฟิร์นทำในวันนี้เฟิร์นกลับห้องด้วยจิตใจที่กล้าหาญมากขึ้นพยายามสลัดความกลัวทิ้งไปให้หมดขณะที่ก้าวขึ้นบันไดทีละก้าว ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนกาลังเดินตามมาทีละขั้นบันไดเฟิร์นจึงพูดขึ้นมาว่าหนูมาจากต่างจังหวัดไม่มีที่ไปหนูขออยู่อาศัยหลับนอนโปรดอย่าได้มาเบียดเบียนกันเลยต่างคนต่างอยู่ถ้าอยากหลอกก็ขอให้มาในรูปแบบของเสียงก็แล้วกันอย่ามาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยแล้วหนูจะมันทำบุญไปให้นะเฟิร์น อาศัยอยู่ที่นั่นถึง5เดือนเต็มๆระหว่างที่อาศัยอยู่ตลอดระยะเวลา5เดือนไม่มีวันไหนเลยที่จะไม่โดนผีหลอกมันทำให้เฟิร์นคิดถึงสิ่งที่แม่เคยบอกว่าเมื่อเฟิร์นยังเด็กตอนนั้นอายุประมาณ8ขวบเฟิร์นเคยป่วยเป็นไข้เลือดออกอาการหนักมากเลือดไหลออกทางปากและจมูก จนหัวใจหยุดเต้นไปเกือบหนึ่งนาทีเฟิร์นในตอนนั้นเหมือนตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่มันจึงอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เฟิร์นมักจะเห็นและสัมผัสถึงวิญญาณได้บ่อยๆและแม่ยังบอกอีกว่าตอนเด็กๆ เ, เฟิร์นมักจะชอบพูดว่าปู่มาแล้วปู่มาแล้วทั้งทั้งที่ปู่ของเฟิร์นนั้นได้เสียไปนานแล้ว พนักงานบัญชีกะดึกน้องเล็กทำงานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งตำแหน่งพนักงานบัญชีเวลาทำงานช่วงกลางวันก็ทำงานตามปกติแต่ก็จะมีบ้างที่ต้องอยู่เวรรับเงินจนดึกเดือนละสี่ห้าครั้งคนไข้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนี้มีทุกระดับชั้น ตั้งแต่ยากจนไปถึงคนรวยมากเวลาคนรวยมาจ่ายเงินที่ห้องเขาจะไม่ค่อยสนใจฟังพนักงานสักเท่าไหร่แค่ได้ยินพนักงานพูดว่าต้องจ่ายกี่บาทก็หยิบเงินหรือหยิบบัตรเครดิตมาจ่ายแล้วเขาจะสนใจดูแค่เพียงตัวเลขในใบเสร็จว่าตรงกับจํานวนเงินที่จ่ายหรือเปล่าเท่านั้นเองส่วนคนจนที่ไม่ค่อยจะมีเงิน เหมือนจะกลั้นใจฟังเวลาที่บอกค่าใ จ, ใจ่ายเพราะกลัวว่าเงินที่เอามานั้นจะไม่เพียงพอทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่ชินตาเกือบทุกกลางที่น้องเล็กอยู่เวรดึกคืนนี้ก็เช่นกันตอนนั้นเป็นเวลาเกือบจะตีหนึ่งแล้วมีญาติของคนไข้เดินมาชำระเงินพอเช็คข้อมูลในระบบแล้วก็เห็นว่า จำนวนเงินที่ญาติจะต้องจ่ายเป็นจำนวนที่มากอยู่น้องเล็กจึงถามญาติว่าคนไข้เป็นอะไรมาญาติแจ้งว่าติดเชื้อมาน้องเล็กเลยถามสิทธิ์ที่ต่างๆที่คนไข้มีแนะนำให้ติดต่อห้องนั้นห้องนี้เพื่อยกเว้นค่าใช้จ่ายในบางส่วนแต่นั่นก็ยังไม่พอกับเงินในกระเป๋าที่ญาติเอามา จึงตัดสินใจว่าให้จ่ายค่ายาเพื่อเอาไปฉีดตอนนี้ก่อนเพราะคนไข้นอนรอยาอยู่เมื่อญาติได้ยินดังนั้นก็น้าตาคลอยกมือไหว้ขอบคุณแล้วจ่ายค่ายาแม้ว่าการกระทาแบบนี้จะทำให้น้องเล็กเสี่ยงกับการโดนลงโทษและเขียนรายงานมากแต่ก็พอจะนึกหาข้ออ้างเอาไว้บ้างแล้วถือซะว่า ได้ช่วยคนตกทุกข์ได้ยากก็แล้วกันจนเวลาผ่านไปเกือบตีสี่ก็มีคนไข้ามาเคาะกระจกห้องน้องเล็กคิดว่าจะมาจ่ายเงินแต่คนไข้กลับบอกว่าป้าจะมาขอบคุณหมอพร้อมยกมือไหว้ซึ่งคนแก่มักจะชอบเรียกทุกคนที่ทำงานในโรงพยาบาลว่าหมอน้องเล็กแปลกใจถามป้าว่า จะไหว้หนูทำไมป้าจึงพูดว่าลูกป้าไปบอกว่าหมอที่ห้องเก็บเงินใจดีให้เลือกใจแต่ค่ายาเอายามาฉีดให้แม่ก่อนพอแม่หายแล้วแม่ต้องไปขอบคุณเขานะตอนนี้ป้าหายแล้วพอลุกขึ้นเดินได้ป้าก็มาขอบคุณหนูก่อนเลยน้องเล็กรีบตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรคะ่ะ พอช่วยได้ก็ช่วยก่อนแต่ป้าต้องหาส่วนที่เหลือมาชำระด้วยนะคะป้าพยักหน้าแล้วเดินกลับไปน้องเล็กยิ้มหน้าบานพร้อมกับภูมิใจเล็กๆว่าหนของการเสี่ยงมันคุ้มค่าและอิ่มใจมากพอถึงเวลาตีสี่กว่าลูกชายป้าและญาติก็เอาเงินที่ค้างชำระทั้งหมดมาจ่ายให้ น้องเล็กจึงถามว่าหมอให้กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมแต่ญาติคนหนึ่งกลับบอกสิ่งที่น่าตกใจว่ายายตายแล้วน้องเล็กตกใจมากมือไม้สั่นไปหมดรีบเช็คข้อมูลดูพอเห็นหน้าจอเท่านั้นแหละน้องเล็กก็แทบช็อกเพราะข้อมูลนั้นได้แจ้งว่าคนป่วยเสียชีวิตตอนตี30นาที แต่ทำไมตอนตีสี่คุณป้าคนนั้นยังเดินมาขอบคุณน้องเล็กได้อยู่เลยน้องเล็กถามลูกชายเขาว่าได้พูดแบบนี้กับแม่ของคุณไหมจากนั้นก็บอกคำที่คุณป้าพูดกับน้องเล็กให้ลูกชายแกฟังลูกชายป้าตอบว่าใช่แล้วเขาพูดแล้วถามกลับว่ามอรู้ได้ยังไง ผมเดินไปบอกแม่ที่เตียงสองคนเองนะน้องเล็กจึงบอกเขาว่าก่อนหน้าที่พวกคุณจะมาสักครึ่งชั่วโมงป้าแกมาขอบคุณน้องเล็กแล้วน้องเล็กก็บอกสีเสือ้อกับลักษณะผ้าถุงที่แกใส่ซึ่งมันถูกต้องตรงกันทุกอย่างเลยพ่อญาติได้ยินดังนั้นก็ยิ่งร้องไห้หนักขึ้นไปอีกส่วนน้องเล็กเอง ก็ตกใจมากกับเหตุการณ์นี้พอเช้าแล้วน้องเล็กก็เดินไปส่งเงินส่งเวนและได้พบนายทหารเวนเขาถามว่าเจอของดีเหรอเมื่อคืนไม่ต้องกลัวไม่มีเพื่อนนะที่ห้องยาเภสัชกรก็โดนป้าแกเดินไปยกมือไหว้ขอบคุณเหมือนกันแต่พอขอบคุณเสร็จป้าแกก็เดินทะลุ ก, กระจกไปเลย หลังจากที่น้องเล็กออกเวรนในตอนเช้าอย่างแรกที่น้องเล็กไปทำคือใส่บาตรและกรวดน้ำให้ป้าแก่พร้อมบอกแก่ว่าหนูกรวดน้ำให้ป้าแต่ป้าไม่ต้องมาขอบคุณอะไรหนูอีกนะ สมัมผัสสยอง